อาศัยในกองหูุดกองพูดของ เ, เหน่ากองเหวี่เห็น่ยงว่าเป็นของสวยงามเป็นหน้าสดสังเวชในตัวของตัวยองนี่คือการที่เจรณาธาตุเจรณาขันมันเหมือนกันหมดคนที่ร่ำรวยหรือคนที่รู้บางยเว่าเมือ่อรู้เมื่อเข้าใจ ถือเรื่องของถาดขัจจนจริงจังเงินจิตในจิตข้องในถาดขันมันสะดวกมันสบายจะตายหรือดีแต่มีปัญหามันที่แปลกแตกต่างกันตรงนั้นไม่มีหลงไปสถานที่ใดเงินใจสบายใจส่วนคนจิต ม, มันเหลือ่างสารสังหือพิจรณาถือเงินฐานของมันไปสถานที่ใดมีเจตไหงสบาไปที่นั้น ไปติดข้อกับรูปนั้นเสียงนั้นไปทีนป่นี้ติดข้อรูปนี้เสียงนี้เลื่อยไปเพราะใจมันหลงความจริงเราไม่เห็นรูปนั้นมัน็มีอยู่เราเห็นแล้วทำไมเัวหนยสอนใจท ง, ง่มสนจะไปรื้หลวง เ, เลยทำไมคนมีอาี้ทำทำไมปล่อยใจไปอย่างนั้นทำไมมีปติ ปัญหารู altung, i, on, i, mind, i, ้ตัวสอนตัวต้องแม่สอนตัวของตัวเตัวของตัวสม่ำเสมอใจเหนื่อมันวกเข้ามาภายในที่เจนากั่งใจใจของตัวใจจังชดเกนมันมีแต่วันที่จะสงบมีแต่วันที่จะสบายมีแต่วันที่จะเยือกเย็นมีแต่วันที่จะเห็นใครมายอมอยู่ ไม่ยอมติดข้อแล้วลกต่อไปว้นอยู่มาแล้วเป็นอย่างไรจะเกิดใหม่ชาตน้ามันก็เหมือนกันเรามีอะไรที่จะแตดแปกต่างกันที่เจอเงื่อนงำฐานของมันมันจะหมดการสงสัยใจจะสบางยมีธรรมะของพระเจ้า ท่านสอนอย่างนั้นและเป็นจริงอย่างนั้นคนที่หนิ่นหลงเกลดเพลินมีอารมณ์ตัณยามากมายขนาดไหนคนนั้นแหละเจ้าทุกข์ใหญ่มีใจไม่สงบถุกลิ้คิดนึกมากเกินก็ทำให้ตัวเป็นทุกข์ไม่ใช่แต่ตัวเองได้ไปทุกกับคนอื่นสัตวอื่นไปอีก เมืองกันกับไฟไม่ใช่หรอมันจะไหม้กันใช่เฉพาะเชื่อกของมันเท่านั้นควรจะเข้าไปใกล้สัตว์ที่อยู่อาศัยในเชือกจะต้องตายไปร้อนไปเพราะไฟมันร้อนมันเผาเชพวกเราเหมือนกันถ้ามีราคะตัณหาเมตตามากมายภายในตัวีิตใจฟุ้งซ่านภายนอก ดีเลยตัวเองตัวเองสงบกูอยาก จ, จ, จ, จ, จะไปหาคนนั้นช่วงคูย อ, ยงงคยอย่างน่้นชวงคูอย่างนี้นี่คือมันเผามันใหม่คนอื่นมันเป็นอย่างนั้นแต่กัน ร, ระวังรักษากรรมฐานเขาถือว่าเป็นพระปฏิบัติอย่างไรมีแต่ชื่อ กรรมฐานผ่าดำดำอยู่ป่าเท่านั้นเพราะสิ่งที่ดำของผ้าของเราถา่านไฟหรือมดดำมดแดงมันไปดูบ้านในป่าอย่างนี้มีแต่ชื่อให้มันมือถือจิจตถือกายกรรมะก็คือการงานฐานะก็คือที่ตั้งจะตั้งไวง้ที่ไหน ใจจึงสงบใจจึงจะสะบายได้หาทางที่จะมาแลอนตัวเองให้มีสติมีปัญญาอยู่ตลอดการตลอดเวลานั่นแหละท่านว่าเป็นผู้มีความเพียรเพราะสติปัญญาเป็นสันเลขาธรรมชำระภาษาล้างจิตใจทีสกปรกคุณมัวต่างๆให้สกไป ให้เกิดความสว่างสวยให้เกิดความเยือกเย็นภายในผู้ว่าเพื่อปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นจริงได้ทเอาใจใส่ท่านทำจรงิงจังไม่ได้คิดเรื่องอื่นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ควรทํายิ่งกว่าการทําระจิตใจของตนเห็นการชำระที่เหลือปัญหา เป็นหน้าที่ของตนไม่ใช่คนอื่นจะมาสระให้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเป็นการงานที่ควรจะเอาใจใส่การงานด้านอื่นใครก็ขอทำได้แต่การงานภายในคือใจสละใจของตนคนทำยากเหตุ น, นั้นคนจี่เบ่นกัน ทั่วไปไม่มีใครที่จะเท่าตัวพอตัวสุขตัวสบายท่านท่บสิ่งของภายอ น, น, นอดมีขนเทในอดอยากอยากเกินอะไรพระท่านอยู่ตามป่าตามเขาบริขารท่านก็มีา ม, มากมายหลายหลวงอะไรอาหาราการกบฉันของท่านก็มีดีดีเศษอะไร เป็นหนึ่งขงท่านก็เชื้องาเท่าไรแต่ท่านก็ไม่เคยบ่น้าท่านถึงอาจถึงทาในบ่นดีแบบสุขแบบสบาคนมาเกี่ยวข้อยุ่นวายหรือเ็นไไปมาฮสุขท่านดูสะดวกสบายไ่ตืนเต้น ตามลมป่ากของเขาเขามียอมชมชอบอย่างนั้นอย่างนี้ลืมเมื่อรีื ม, ม, ม, มตัวไปไม่เพียงไปอย่างนั้นท่านคงส่งนคงว่าทุกวันทุกเวลาจิตของท่านเป็นอาการที่กระทำไม่มีกาคนอยู่เสมอสงบอยู่เสมอลุดจากโลกอยู่เสมอหลุจากส้มติอยู่เสมอนี่คือจิต คือมรู้สึกไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเขี่ยแสงไม่มีอะไรที่จะสงสัยภายในตัวผู้ผูกปฏิบัติทุกขชขีขั้นอย่างนั้นท่านมีความสุขท่านมีความสบายพระพุทธเจ้าจึงจะเลื่อนวันนัดทิสันติพลังสุขขังสุขอืน่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบอันนั้น ไม่ใช่ความสงบในขอบเขตของสมุติภาสิทธิ์ที่ว่านี้ก็เป็นภาสิทธิ์ของสมุติความสงบอันนั้นไม่ใช่ภาสิทธิ์อันนี้ถ้าคนจำภาสิทธิ์อันนี้ได้บอกเข้าใจหลักเกได้ความได้รู้สึกความสงบอันนั้นมันไม่ใช่ทางอัจําจได้เป็นอันได้อันนั้นมันก็ไม่ีอะไรทั้งั้ ยิ่เหตุปัญหามานาทิฐิความหลุนหลงเกิดเพลินมัวเมาใส่ฝันต่างๆมันตกไปหมดถึงความบดยที่สุดที่เราทาได้มันเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็ชื่อของมันไม่ใช่ตัวของมันชื่อมันเป็นอย่างนึ่งตัวของมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องการทำมัมเพนใครเห็นไครรู้ด้วยตัวของตัวเอง แต่มดมันหน้าจะไปเรียนจนกระทั่งวันตายก็เป็นวันที่จะจบจะสิ้นเรื่องของโรมดแต่เรื่องโรมดมันมีอันเดียวเอโกทำโมมีทำอันเดียวเท่านั้นเอตังจิตตังมีจิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอันอื่นเราเห็นเราเป็นหร้อย่างแต่ยังไม่เป็นม่เห็นไม่รู้อย่าไปหาที่อื่น ให้ดูภายในต่้งใจจะคิปฏิบัติความเห็นความเป็นที่พระพุทธเจ้าเห็นเป็นอย่างไรพอเราเห็นเราเป็นเรามีทางสงส็นเรนมีการคิดว่าพระพุทธเจ้าจะรับรองให้ได้ไหมครูอาจารย์จะรับรองให้ได้ไหมความรู้เข้าใจเราเป็นอย่างนี้ไม่มีทางจะศึกษาเพราะเหตุใดเพราะมันตกไปหมดปัญหาทุกอย่าง ไม่ใส่จิตสงบไม่ใส่จิตละเอียดไม่ใส่จิตอยู่ในขนันลำเนินนี่คือจุดหมายปลายทางในการปฏิบัติในการภาวนามันดีวิเศษขนาดนั้นไม่มีอะไรในโลกที่จะเทียบเท่าเทียมถึงฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงเคยเป็นก่สัต วิสาวรที่เคยเป็นกต่สัตเคยเป็นเด็กผีมากกว่าเคยลึมหลงเกิดเคลื่อนตามเรื่องต่างๆมากกว่าจ่งหมดปัญหาไม่อยากจะไปจะมาจะอยู่ ขอคนลึกลงเลิกสุกเยิกทุกมันแน่อนอนแต่นั้นขอทุกคนอยู่มาบวชเป็นพระเป็นเมนรเป็นสมใจตั้งหน้าประพฤติปฏิบัตบิเอาจึงเอาจังยอย่าไปเห็นใจการเริ่มกันเคลืการหลับการนอนการกินการชี พระเ น, นกรรมาฐานเขาเฉิดชูบูชาว่าเป็นพระปฏิบัติทาา้าหานใน่ปฏิบัติให้ว้นให้เป็นได้อจดนด้ทำใจไม่ จ, จ, มจะสายแสปในทางใหม่เพียงแต่จะอาไัเศษขอพกรรมฐานอ้าไัย ก, การดูป่ากเป็นเตได้เชิงแบบและเวงต้นปุ่นอยาเโยม เขาขวางเขาจินมันหน่าค้างเละควรแมงตัวสอนตัวควรี่ตตงหน้าตาจำไรที่เละไม่นอนใจถึงอย่างไรก็จะหยุดพ้นไปจากชาตพบพถึงได้หยุดพ้นไปแต่ความตั้งใจมีอยู่พระพุทธเจ้ากับสัน้รเฟิ์ คนจีนอนใจตายใจพอบวชเป็นพระเป็นเลนก็เป็นของดีวิเศษแล้วอย่างนั้นท่านาเหมืองพระเลสอนท่านแบเปรดในตังแบบมันที่นี่ที่เจมานะ่ะมันศึกษามันเรือนตัวเองการแต่ทำบำเพ็ญพอเป็นพอไปพอได้พอเอาใจใส่ไม่เลอะไม่ใส่ เพราะธรรมะมีอยู่กายอยู่ใจของทุกคนในตําแหนหาจากจําหลักําลาในตําแหน่งมาจากที่อื่นจิวเหตัญหามันเกิดขึ้นที่ไหนมัดผลมันก็จะเกิดขึ้นที่นั้นถ้าเสร็จแล้วต่สารที่เวตัญหาไปหมุนดงป่าไม้มันรบที่ไหนเมืเ่อเราถางเราตัดมันไปเผามันไม่ได้หมดความโล่งโถงความ เตือนก็จะเกิดขึ้นในสถานที่มันรบมันเป็นป่าเป็นดงนีจิตใจของเราที่รุนหลงแต่เรารู้มันก็เกิดแต่ถ้ขึ้นจาความรุนความหลงความรุ่นความหลงมันต่อไปความรู้มันก็เกิดขึ้นไม่เดี๋ยวไปหามาจากที่อืน่นมันเกิดขึ้นจากตัวที่รุนหุนหลงหลงตัวที่โง่เกิกลายเป็นแชลาย เมื่อเราเพื่อปฏิบัตแบบิถูกตอ้องตามธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่เห็นไม่เป็ น, อ ย, น, อ, นอย่าไปนอนใจอย่าไปคิดว่าชากนั้นชากิโน้นจะก่อนเราคนเกา่าไม่ใช่ใครเครจะมาทําให้ฉาติไหนก็รชาติเก่าแต่เราไปเอาจริงเอาจังเราเกลัวทุกข์ไม่สามารถที่จะ ท, ท, ไไาาท่ามาทุกข์ไปได้เรากลัวตายไม่สามารถที่จะหนีตายไปได้ อย่าปเปยมันมันจะทุกข์ขนาดไหนทุกข์ขาดี่แย่สดที่จริญหรู้เหตุที่จะเกิดทุกข์มันเกิดมาจากที่ไหนที่มญหนึ่งทิ้งใจเสีรู้อีกทุกข์ขาของขันหรือทุกข์ของใจทุกข์ขาดของขันมันในทางที่จะละได้พระพุทธเจ้าจหรือสาวกทำกบยังมี ถไปหนุ่มไปลงไปติดไปข้อใจท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษาที่ควรสนละไม่ช่เรื่องอื่นถุขกาดีทุกข์กาดีมันเกิดขึ้นจากเรื่องเข้าใจเนื่อข่าใจตายแล้วมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปว่า ทกว่าทุกอีขาดใจตายก็คือการที่เยมะเข้าใจตามความเป็นจริงมันจิตหยุดออกไปเห็นว่าสิ่งนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังอนาาัตตาสิ่งนั้นไม่อยู่ในวงจำมุกของโลกสิ่งนั้นเราไม่เคยรู้เคยเห็นมา ก, ก่อนจะฝูกถึงความอัศจร์ ก็อาจจะจำมาที่เคยรู้เคยเห็นสิ่งที่เคยเคยเจอเคยพบมาโดยการภาวนาของตัวมันมีทางแววใสถ้าผมพูดไปที่แบบไปสายเดียวกันไปถึงจุดเดียวกันไม่มีทางฝีแฝก เอึกซอมตัวเองการงานด่านนอกคงมีอะไรที่จะยุ่งเหยิงหนักใจภาวนาต่างนๆละี่เลสทำความเพียนให้นักแน่นเข้าไปใจที่เคยยากเคยติดขอ้อจะกลายเป็นใจสีละเอียดใจที่ปล่อยวางเบาสบาย นี้สงฆ์จิผกเพยียนจี่แระทำพอทำรักษาผูกพิปฏิบัติธรรมในตกไปในที่ชั่วผูกพิปฏิบัติธรรมดีแล้วธรรมจะนำความถูุกมาให้ เรื่อหล่านี้เคยอ่านเคยจํากันมาแต่เข้าใจไหมว่าทำรักษาผู้บวชทํรเนี่ยจไปแล้วมีชั่วเป็นอย่างไรทํานําผู้บวธรรมมีแล้วนําความสูกมาให้ความถูกเป็นอย่างไรถ่ายยังสงสัยรีบรต่อพฤษปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเขียนเอาไว้ ไม่มีปัญหาข้องใจเพราะผู้รู้ท่านเขียนไม่ใช่คนหลเงเขียนธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงอย่างคงเส่นคงวาตลอดมาเพราะผู้เปิดเผยปฏิบัติผู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นจริงที่ท่านบัญญัติในบัญญัิสีนสมาที่ัญญาจึงไมมีใครที่จะค้าน พันดาว่าอันนั้นผิดไม่ดีไม่เหมาะกับการกับเวลาคือล่าสมัยไปไม่เป็นอย่า ง, งนั้ น, นดังเหมืเดิมเมื่อคนยังมีจุดเด็ดกัญหาหรือคน ย, อยังไข่อยู่จะต้องเอายาเท่านั้นมารักษาความไข่จึงจะหายไปได้ไม่นช่เป็นไข่ เ่ไมายอมรักษาหายจาของแสีงมารับทานคนนั้นจะต้องตายไม่มีทางที่จะหายฉันใดทำยูนใยเถี่ยวที่ได้เจ้ากันแบบไว้ก็เพื่อขับไล่ความไข่คือที่เหลือปันหาของใจให้ตกไปหาคนใดไม่ประมาทสนใจในธรรมะ สนใจในความผาดความเพลียสนใจในสติปัญญาสนใจทั <gger> ้งลมรักษากายาจาใจทั้งตนคนนั้นจะพ้นจะหายจากพพชาติไปได้หาคนใดไม่สนใจได้ยินดีรวมใจเป็นใจในเกิดตายคนนั้นก็อย่างป่ายช้าจะต้องมีทั่วโลก เขป่าชาดีอยู่ในจิตของตัวตายเหนือยเกลดเลือดจึงสอนตัวพยายามบำเน็นคุณงามความดีให้สมกับชื่อว่าเป็นพระผู้ปเสรสมณะผู้สงบอยากให้มี้จะชื่อเท่านั้นมีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรได้จะจะจ่ายช้าสอยอะไรเขาไม่สนใจ ทันมีเงิยเงินนิดๆหน่อยก็เป็นผลเป็นประโยชน์มีการเป็นการเห็นการรู้ภายในใจหรือการประพฤติปฏิบัติตามธรรมดีในใจเลยรับความสงบได้รับความสุขถึงคนอื่นเขาจะไม่มองเห็นแต่ตัวของตัวเองมันเป็นมันเห็นมันรู้อยู่อย่างนั้นมันก็สะดวกสบายเขาจะ ดูหมินนินทาว่าอย่างไรทุกอยากลําบากแต่เงินอยู่ในกระเป๋าของเราเขาไม่ทราบเขาไม่เข้าใจเขาจะว่าทุกอยากลําบากก็เป็นเรื่อปากของเขาเงินอยู่ในกระเป๋าของเรามีเท่าไรเราทราบมีจิตใจก้องสั่นผูกกัเพืชปฏิบัติทางอัตธรรมก็ทํานองเดียวกัน เขาจะใช้เงินเดิมย่อเป็นลมปากของเขาก็จะได้ึงเงินนินทาเป็นลมปากของเขาแต่เราอย่างให้เสียโดยามที่เขาตีดฉินนินทาให้สมกับที่เขาว่าเป็นพระเป็นเนรมีความเปิดเผยมีความสงบพยายามในสอนตนอบรมตนฝึกตนอย่างนั้น ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเี่วเวลาพ้อยติเพียงแค่นี้